บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเรื่องสำคัญจริงๆก็มีอยู่เพียงสองขั้นตอนเท่านั้นคือพระปริยัติสัจธรรม ได้ก่การศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในหลักคําสอนที่ทรงแสดงเอาไว้และปฏิบัติศีธรรมคือการน้อมนําเอาพระธรรมคําสอนเหล่านั้นมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเมื่อการศึกษาประพฤติปฏิบัติสอดคล้องสัมพันธ์กันไปผ่านขั้นตอน ใ, น ใ, นใดๆที่ทรงแสดงไว้ในฐานะนั้นๆบุคคลก็จะได้รับผล ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผลสูงสุดที่เรียกว่าปฏิเวทสัจธรรมนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงเป้าหมายหรือเป็นเพียงผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำเท่านั้นเองเหมือนกับการที่บุคคลศึกษาแผนที่ที่จะเดินไปในที่ใดที่หนึ่งช่วงนี้ก็เป็นปริยัติสัจธรรมเขาเดินไปตามแผนที่เหล่านั้น ว่าเป็นปฏิบัติาิาธกรรมเมื่อเดินไปถึงจุดหมายปลายทางก็เป็นถึงการถึงจึงเป็นการยุติความเพียรพยายามที่จะเดินต่อไปของบุคคลเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนกับปฏิเวสศาธกรรมนั้นหละการสำคัญจึงเน้นไปที่สองจุดดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการแล่กันเมื่อสองฝ่ายดาเนินไปได้ด้วยดี ผลคือปฏิเวทก็ย่อมเกิดขึ้นเองไม่จำเป็นจะต้องเรียกร้องอะไรแต่ในทํานองตรงกันข้ามถ้าหากในด้านประยัตปฏิบัติไม่สอดคล้องสาคัญกันหรือไม่สนับสนุนกันการศึกษาก็ขาดความรอบรู้ความจัดเจนในเรื่องนั้นๆทำให้มีการประพฤติผิดปฏิบัติผิดผลคือปฏิเวทก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้เวลาพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนในยุคนั้นหรือแม้ในยุคอื่นๆก็ตามทรงมีหลักในการ <c oughs> แสดงอยู่สองหลักคือหลักแรกได้แก่การสอนให้เรียนรู้ในเรื่องของตัวเองเป็นประการสาคัญหลักประการที่สองก็คืออาศัยสิ่งรอบตัวหาความรู้ความเข้าใจในสิ่งรอบตัวแล้วก็น้อมนึกเข้ามาหาที่ตัวเอง จะเป็นการสรุปว่าการศึกษาการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นมุ่งที่การเรียนรู้ตัวเองเป็นประการสําคัญแม้จะอาศัยวัตถุสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในภายนอกก็เป็นการศึกษาเพื่อ น, น้อมเข้ามาหาตัวเองที่เรียนในชั้นของการลึกซึ้งลึกซึ้งลงไปว่ากายภายในกายภายนอกเป็นต้นนั้น เพื่อจะมองให้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกายภายในและกายภายนอกซึ่งอาจจะเราเราอาจจะเรียนจากกายนอกมาหากายในหรือเรียนจากกายในไปหากายนอกและในที่สุดก็จะมองเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกายทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกคือตกยูในกฎของพระไสรลักษณ์เช่นเดียวกันเป็นต้นคำสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับอาโปธาตคือธาตุน้า ที่ทรงจำแนกแสดงไว้เป็ น, น, นเอเนกกระปรี้ยยในพระสูตรต่างๆนั้นก็มีลักษณะอย่างนั้นคือสอนใหบุคคลอาศัยสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยจักุสัมผัสของตนมองเห็นสิ่งเหล่านั้นพยายามหาความรู้ความเข้าใจจากสิ่งเหล่านั้นแล้วน้อมนึกเข้ามาสวจสอบวิเคราะห์พินิษฐ์พิจารณาที่ตัวเองถ้าต้องการผลที่พึงปรารถนาก็ดูว่าวัตถุภายนอก ล่าวนั้นที่ทรงแสดงเอาไว้อะไรที่เป็นประโยชน์จึงสามารถเกือ้อกูลได้ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นเกื้อกูลทั้งแก่ตนเองในปัจจุบันภายภาคหน้าตลอดถึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่ให้สัมผัสคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปเป็นต้นคําสอนที่ทรงอาศัยน้ำเป็นอุปกรณ์ในการสอนอีกงวดหนึ่งนั้นทรงแสดงรูปของชีวิต ที่บุคคลแสดงอยู่แล้วก็ปรากฏจูดในโลกทุกยุคทุกสมัยโดยทรงอุปมาด้วยแม่น้ำสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกเป็นแม่น้ำประเภทที่แคบด้วยก็ตื้นด้วยแม่น้ำประเภทแคบแต่ตื้นนั้นจะเห็นได้ว่าเอาก็จจิงแล้วใช้ประโยชน์ได้น้อยมากเรือใหญ่ก็เข้าไปไม่ได้เพราะทั้งแคบทั้งตื้น การศึกษาธรรมะในทางพระพุทธศาสนาของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบางครั้งบางคราวเป็นการศึกษาในมุมที่แคบแคบไม่สามารถกระจายความคิดหาความเข้าใจจากจุดที่ตนเรียนรู้ไปหาจุดที่ตนยังไม่สามารถรู้ไม่สามารถเข้าใจได้การศึกษาในลักษณะนี้จึงไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคลเหล่านั้นเท่าที่ควร พอในชั้นของการนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะยึดติดในรูปแบบที่ตนเรียนรู้มาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ถ้าหากว่ารูปแบบที่นำมาประพฤติปฏิบัติไม่สอดคล้องกับอัธยาศัยคือไม่ถูกกับจริตของตนเช่นว่าการปฏิบัติกรรมาฐานข้อใดข้อหนึ่งคือกําหนดเอาเฉพาะอารมณ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในที่สุดเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วความสงบไม่เกิดขึ้นตามที่คิดว่าควรจะสงบ ก, ก็จะเกิดความท้อถอยเกิดสูญเสียความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในไตรศิกขากลายาเป็นการสร้างตะปูตรึงใจตอกไว้ในสถานที่นั้นโอกาสาที่จะเปลี่ยนแปลงยักษยใยหาอารมณ์ของกรรมฐานที่เหมาะสมแก่จริตอัตยาสายของตนก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะอะไรเพราะว่าตัวปริยัติคือการศึกษานั้นมาแคบเวลาการปฏิบัติก็จะบัปฏิบัติไปหนุนในมุมแคบในด้านความคิดความเห็นก็จะออกมาในลักษณะอย่างนั้นคือจะมีการตัดสินปัญหาในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในมุมที่ตนคิดว่าเป็นอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้มองอีกแง่อื่นอีกมุมอื่นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างถึง กบกับปลาที่สนทนากันเรื่องสิ่งต่างๆในโลกกบนั้นไปได้ทั้งบนบกและในน้ําแต่ปลาอยู่ได้เฉพาะในน้ำปลาจะตัดสินปัญหาได้เฉพาะในส่วนของน้ำเท่านั้นเมื่อพูดถึงบนบกก็ไม่สามารถที่จะมองเทียบเคียงได้แต่กบแค่มองได้ทั้งสองด้านในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องที่พูดกันไม่เข้าใจทั้งๆที่เรื่องนั้นมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา แล้วก็มีการปฏิเสธเพราะว่าตนไม่เคยประสบพบเห็นสิ่งเหล่านั้นการตัดสินวินิจฉัยปัญหาในลักษณะนี้ก็ก่อให้เกิดความเป็นเรา <c oughs> เป็นเขาเป็นพวกเรา <c oughs> เป็นพวกเขามีความขัดแย้งกันก็ให้เกิดปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นนานาประการในหมู่ผู้ศึกษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาและแม้ในเรื่องอื่นๆก็เป็นทํานองเดียวกัน แม่น้าประเภทนี้จึงถือว่าเป็นนาทีโทษคือเป็นแม่น้าที่มีโทษในยาม ท, ทั่วไปก็จะเก็บน้าไว้ได้น้อยยาม ท, ที่จะใช้ประโยชน์ด้านอื่นเช่นใช้เป็นที่สัญจรไปมาเป็นต้นเรือลำที่ใหญ่หน่อยก็เข้าไปไม่ได้แล้วบุคคลประเภทที่สองนั้นทรงอุปมาเหมือนแม่น้าที่แคบแต่ตื้นซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่า เมื่อไปเทียบเคียงกับส่วนอื่นที่ทรงแสดงเอาไว้เป็นส่วนของการศึกษาปฏิบัติก็ได้แก่บุคคลประเภทที่มีสุตะน้อยแต่เข้าถึงโดยสุตะคือหมายความว่าการศึกษาของบุคคล น, นั้นไม่ได้กว้างขวางอะไรเท่าไรแต่ก็มีความลึกซึ้งในจุดนั้นๆสามารถใช้ประโยชน์จากจุดเหล่านั้นได้ทานองที่ ท่านแต่งเป็นคำกรอนว่ารู้อะไรให้กระจ่างที่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลนั่นเองบุคคลประเภทนี้แม้จะอยู่ในลักษณะของนาทีโทษอย่างอ่อนๆแต่พึงเห็นว่าในด้านของปริยัติคือการศึกษาเราเรียนของเขานั้นอาจจะไม่กว้างขวางรอบรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถใช้ประโยชน์ จากสิ่งที่เขาเรียนเขาศึกษามาให้สมเหตุประโยชน์ได้กลายเป็นความเป็นคนที่มีความชํานิชํานาญในเรื่องนั้นๆเลี้ยงชีพในเรื่องเหล่านั้นได้เหมือนแม่น้ําที่แคบแต่ลึกนั้นสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้และบุคคลจะได้รับประโยชน์จากน้ําในแม่น้ําเหล่านั้นได้ตลอดกาลแม้ว่าบางครั้งบางคราวเรือขนาดใหญ่จะเข้าไปไม่ได้แต่เรือธรรมดาทั่วๆไปก็เข้าไปได้เพราะ ความลึกของแม่นม้ำบุคคลประเภทนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะเป็นคนที่เข้าใจลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้กร น, นี้พึงดูตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลคือบางท่านนั้นเพียงแต่อาศัยจุดเล็กๆแห่งการประพฤติปฏิบัติแต่ท่านก็เข้าใจของท่านในเรื่องเหล่านั้น อย่างพระจุลปันตะกะเถระอาศัยการบริกรรมคาถาเพียงว่าระโชฮระนังระโชหระนังแล้วก็นั่งบริกรรมไปมือก็ขยำผ้าขาวที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ไปจิตใจของท่านก็สงบและด้วยความรู้สึกของความหมายในคําว่าระโชหระนังแปลว่าผ้าเปื้อนตุลีเมื่อท่านใช้ตาเพ่งดูผ้าซึ่งเดิมทีขาวสะอาด แต่ถูกแปดเปื้อนไปเพราะท่านขยำผ้านั้นอยู่ตลอดระยะเวลาก็พิจารณาเทียบเคียงเข้าไปที่กายตนกับผ้าเห็นว่ากายนี้เป็นที่ประชุมแห่งรากศพมีผงขนเป็นต้นล้วนแล้วแต่มีของปฏิกูนาเกลียสขกปรกด้วยประการต่างๆผ้าซึ่งขาวบริสุทธิ์สะอาดอาศัยร่างกายนี้ก็พลอยแปดเปื้อนไปในที่สุดจิตใจก็เกิดเบื่อนหน่ายคลายกำนัดในกายตน และกายบุคคลอื่นใช้ปัญญาพินิษ์พิจนาเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลไปได้เรื่องที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าถึงอดีตชาติของพระจุลปันธกะว่าในคราวหนึ่งนั้นไม่สามารถจะศึกษาเล่าเรียนวิชาอะไรได้อาจารย์เห็นว่าคงจะเอาตัวรอดยากแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เป็นคนว่านอนสอนง่ายเชื่อถ้อยฟังคาของครูบาอาจารย์ เมื่อเห็นว่าสุดทนทางที่จะแนะนาสั่งสอนแล้วอาจารย์ก็ให้คาถาสั้นๆให้ท่านมาท่องให้ภาวานาอยู่ประจำเสมอขาดไม่ได้แม้นอนหลับพอตื่นขึ้นมาถึงก่อนที่จะหลับต่อไปก็ต้องภาวานาคาถานั้นซึ่งท่านก็ใช้ยึดถือประพฤติปฏิบัติเรื่อยมาจนในที่สุดท่านได้รับตำแหน่งเป็นถึงอุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินส่วนคาถานั้นก็ไม่มีข้อความลึกซึ้งอะไร เพียงแต่ว่าคาเตสิกเตสิกิงเกนาคาเตสิอหังปิตังชานามิชานามิเท่านั้นท่องกลับไปกลับมากลับมากลับไปจนคนไทยในยุคหลังเข้าใจกันว่าเป็นคาถากันขโมยเป็นต้นนี่จะเห็นได้ว่าเป็นอุปาเยวีทีที่จะให้คนเราแต่ละคนนั้นได้รับประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งถึงแม้จะเอามากๆไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมากๆไม่ได้ เรจับจุดใดจุดหนึ่งให้ได้สักอย่างแล้วก็จะเกิดประโยชน์ในเรื่องเหล่านั้นข้อนี้เพิ่งเห็นว่าแม้ในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเองบางครั้งพระองค์ก็ไม่เอาอะไรบ้างเพืนว่าขีดความสามารถในการศึกษาในการประพฤฏิบัติของบุคคลนี้ก็คงคงจะทำได้ขนาดนั้นเห็นว่าขอให้รักษาคาสัตว์เพียงอย่างเดียวขอให้มีเมตตาเพียงอย่างเดียว หรืว่ามีปัญหาในการประพฤติปฏิบัติของภิกษุบางรูปขึ้นท่านบอกว่าศีรขาบทในพระพุทธศาสนานั้นมีมา ก, กเกินเกินท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนนอนอยู่กลางปา่าหนามกราทำให้ไม่ต้องการจะบวชเป็นภิกษุต่อไปแต่พระพุทธเจ้าก็มีอบายวิธีที่จะให้ท่านเห็นว่าของยากนั้นแท้ที่จริงก็ไม่ยากถ้าหากว่าเรารักษาใจแล้วก็ขอให้รักษาใจเพียงอย่างเดียวเป็นต้นเมื่อท่านทําได้ก็ชื่อว่าทำในส่วนหนึ่งๆได้ อันเป็นการสแสวงหาประโยชน์อย่างลึกลงไปในเรื่องเหล่านั้นเป็นความชำนิชำนาญทั้งในขั้นของการศึกษาและในขั้นของการประพฤติปฏิบัติจึงอาจจะบกพร่องในกรณีที่ไม่กว้างขวางแต่ว่ามีประโยชน์มากในกรณีที่ใช้สิ่งเหล่านั้นได้จริงๆคือจะมากจะน้อยอยังไงก็ตามแต่ท่านใช้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้ คนบางคนดํารงสามารถดํารงชีวิตอยู่ด้วยหลักความคิดเพียงอย่างเดียวเ่จนจริงเพียงอย่างเดียวไม่ท้อถอยเพียงอย่างเดียวไม่ยอมหวาดหวั่นต่ออันตรายเพียงอย่างเดียวเป็นต้นก็สร้างความสําเร็จให้แก่ตนได้ในการศึกษาก็ดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนาก็ดีนั้นมีลักษณะเป็นเช่นนั้นก็สําคัญว่ายังไงก็ขอให้เจาะลึกให้ได้สักอย่างหนึ่ง แล้วก็หาประโยชน์จากจุดนั้นให้ได้แม้จะไม่มีความรอบรู้แตกฉานในเรื่องอื่นก็ตามซึงก็จะกลายเป็นผู้มีความชำนิชำนาญมีความแตกฉานในเรื่องเหล่านั้นประเภทที่สามนั้นทรงแสดงว่าเป็นแม่น้ำที่กว้างแต่ตื้นลักษณะนาทีโทษแนวนี้เมื่อทรงแสดงในประเทศอินเดียจะทำให้เห็นภาพปรากฏชัดเจน ว่อะไรพระในประเทศอินเดียนั้นน้ำในลักษณะนาชีโทษแนวนี้มีมากเป็นพิเศษคือแม่น้ำที่กว้างขวางมากแต่ว่าตื้นแม่น้ำประเภทนี้เวลายามปกติแกก็แข้งยานภาชนะใช้อาศัยอะไรไม่ได้ปกฝนตกหลากมาแกขังน้ำไม่ได้น้ำล้นขึ้นท่วมบาบ้านเรือนประชาราดอนสัตว์เลี้ยงตายกันเป็นนั้นมาก ซึ่งนาทีโทษในลักษณะนี้มีอันตรายมากเมื่อมาเปรียบด้วยคนก็จะได้คนประเภทที่เรียกว่ามีความรอบรู้มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆมากแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลึกซึ้งอะไรเป็นความรอบรู้ประเภทที่พูดกันสำนวนไทยว่าเป็นเป็ดคือรู้เหมือนเป็ดแต่เอาดีอะไรไม่ได้สักอย่างหน่ง ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันวันนี้พึงสังเกตว่าบางครั้งการปฏิบัติเช่นว่าปฏิบัติสมถกรรมฐานเป็นต้นซึ่งมีอารมณ์ในขั้นต้นจริงๆอยู่สาสหอารมณ์อารมณ์ในขั้นต่อไปก็มีสในสามสหอารมณ์นั้นเราปฏิบัติเสียเลยทุกอย่างปฏิบัติอารมณ์หนึ่งนิดอารมณ์นั่นหน่อย ในที่สุดแต่และอย่างนั้นก็ไม่นำไปเข้าสู่ความสงบได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นการทำงานในลักษณะจับจับจุดจดคือไม่เอาจิงในเรื่องทั้นั้นแม้ในกรณีของความลึกซึ้งลงไปการแตกฉานในด้านต่างๆก็จะมองปัญหาแบบฉาบฉวยเพราะตัวเองไม่มีความอย่างลึกได้มากพอถึงแม้จะรอบรู้กว้างไกลยังไงก็ตาม เวลาจะตัดสินปัญหาก็จะตัดสินตามที่ตนอย่างไปถึงเท่านั้นไม่ได้มองปัญหาในแนวปัจจัยการตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพระตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นคือสิ่งที่ปรากฏแต่จะสืบสาวถึงต้นตอของสิ่งเหล่านั้นต้องอาศัยปัญญาเข้าเป็นเครื่องประกอบพิจิพินิพิจนามองให้เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นกระบวนการแห่งเหตุผล ถ้ามองก็ได้ในแง่นี้ในชั้นของการดํารงชีวิตก็จะมีลักษณะประณีประนอมคือจะเข้าใจเห็นใจให้อภัยและรอคอยบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีไม่ใช่ไป เ, เพ่งเล็งเอาอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนเรานั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจําแนไกไว้เหมือนดอกปวัวสีเหล่าซึ่งถือว่าเป็นหลักในการวินิจฉัยตัดสินเวลาเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลาย เวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามเราจะพบว่าบางครั้งก็จับเพียงจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ตำหนิบุคคลเหล่าอื่นคือปฏิเสธบุคคลเหล่าอื่นออกไปซึ่งในกรณีของความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์แต่ในความไม่สมบูรณ์นั้นก็มีความสมบูรณ์อยู่ในบางจุดดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลมองได้ในแง่มุมที่กว้างไกลออกไป ก็จะดึงเอาจุดที่เป็นประโยชน์ในสิ่งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้คนเราก็อยู่กันอย่างมีปรณีปรน ม, มีความเข้าใจกันได้ส่วนอะไรที่เขาไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็มองในลักษณะให้อภัยและเห็นใจส่วนใดที่ใช้ประโยชน์ได้ก็นำมาใช้ประโยชน์ในส่วนนั้นๆถ้าหากว่าในระดับของคนที่จะต้องควบคุมบังคับบัญชานกนเขเรียกว่าคนที่ใช้ใช้คนเป็นเป็นต้น แต่เนื่องจากการไม่สามารถมองอย่างรากลึกได้เช่นนี้จึงไม่อาจที่จะจะแย ก, ก, กแยะได้กลายเป็นการประพรัติการกระทาที่ขาดฐานของความเป็นบัณฑิตจึงอาจจะทำนิโดยไม่อาศัยหลักของเหตุผลหรือยกย่องโดยไม่อาศัยหลักของเหตุผลแต่เป็นการตัดสินปัญหาอย่างฉาบฉวยคือเห็นอย่างไงก็ตัดสินลงไปอย่างนั้น เพราะในสิ่งที่ปรากฏนั้นบางทีก็มีสิ่งอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่การมองปัญหาจึงต้องมองให้มีความลึกซึ้งแต่เนื่องจากความเป็นนาทีโทษคือรู้มากเกินไปกว้างไกลเกินไปจนกลายเป็นความฉาบฉวยในสิ่งแต่ละจุดที่เกิดความรู้นั้นก็มีความตื้นมีความคืนอยู่ในสิ่งที่ตนรู้หรืออย่างรากอะไรไม่ได้สักอย่างก็ข้าวํานองที่คนมักจะพูดกันว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นเอง บุคคลประเภทที่สามถือว่าเป็นบุคคลในอุดมคติเป็นลักษณะของแม่น้ำที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่โลกได้นานแสนนานได้แก่แม่น้ำประเภทที่กว้างด้วยแล้วลึกด้วยซึ่งจะพบว่าแม่น้ำประเภทนี้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เป็นนันมากอำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชนได้ในสถานที่ต่าง แม้จะมีฝนหลากลงมาก็สามารถที่จะรักษานาไว้ให้ได้ยานพาหนะต่างๆที่จะเข้าไปอาศัยทั้งยานพาหนะเล็กและใหญ่ก็ตามก็อาศัยไปในแม่น้ำลักษณะเช่นนี้ได้การศึกษาการประพฤติปฏิบัติหรือทัศนคติของคนทั้งหลายในโลกนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนประเภทที่เรียกว่าเป็นภูจะบุคคล คือมีความรอบรู้อย่างรู้ในเรื่องนั้นๆโดยท่องแท้ตามความเป็นจริงในแต่ละจุดที่เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องถือว่าเป็นูสุดจะมีการศึกษามีการ ส, บสับภสับฟังมากอาศัยความรอบรู้ที่อย่างรากลึกมีตัวอย่างเรื่องราวเดียวกันหลากหลายออกไปสามารถที่จะน้อมนำมาพิจารณาเทียบเคียงในเรื่องเหล่านั้นได้เวลาจะ คิดหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆก็จะมองปัญหาในมุมที่เรียกว่ากระจายออกไปโดยแม่อาศัยตัดสินปัญหาในมุมใดมุมหนึ่งแต่ว่ามีการยกขึ้นมาเทียบเคียงดึงเหตุเข้าหาผลดึงผลเข้าหาเหตุได้บุคคลประเภทนี้สามารถที่จะยกย่องคนที่ควรยกย่องดูโดยดูที่การกระทําของเขาก็ควรแก่การยกย่อง หรือเวลาตำหนิก็จะตำหนิคนที่ควรตำหนิโดยพิจารณาที่การกระทาของเขาเป็นต้นจากความรู้ในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าทำให้บุคคลสามารถหยิบฉวยเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากที่ต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่นได้กอนี้พึงดูตัวอย่างความรู้ระดับสูงสุดคือสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้า ที่เมื่อพระองค์จัดสรู้แล้วก็กลายเป็นประเภทแม่น้ำที่กว้างแล้วก็ลึกอานวยประโยชน์ให้ได้แก่คนสัตว์ทุกชนิดสิ่งต่างๆที่มีการแนะนำสั่งสอนกันอยู่ในสมัยนั้นก็ไม่ใช่เป็นความเลวร้ายเป็นความเสียหายไปด้วยประการทั้งปวงแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ความสมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวง พระพุทธเจ้าก็ทรงหยิบเอาส่วนที่ถูกต้องสมบูรณ์ของเขาเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ยกย่องเชิดชูเจ้าของความคิดเจ้าของความเห็นเหล่านั้นและแนะนําให้พุทธบริษั ท, ษ ท, ษทของพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามโดยทรงแสดงว่านี้เป็นความเป็นสุภาษิตเป็นความดีงามเป็นเบื้องต้นของกา ร, รประพฤติปฏิบัติความดีเป็นต้นการมองโลกมองชีวิตตามแนวของคนที่มีความรู้ในลักษณะที่กว้างขวาง จึงบางครั้งท่านอุปมาเหมือนกับแผ่นดินที่พร้อมที่จะโอบอุ้มพร้อมที่จะให้สิ่งอื่นยืนหยัดอยู่ได้พร้อมที่จะให้สิ่งอื่นอาศัยได้ปัญญาประเภทนี้ความรอบรู้ประเภทนี้ที่แสดงออกมาในด้านของความคิดก็จะมีลักษณะนั้นดังนั้นคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนของท่านผู้รู้กว้างไกลที่เรียกว่าเป็นสัพพัญญุตยานหรือสัพพัญญูรู้ทุกอย่าง ไม่ได้มองปัญหาในลักษณะติดอยู่ในจุดอับแผงใดแผงเด่งคำสอนในศาสนาพราหมณ์หรือลัทธิคณาจารย์ในสมัยนั้นถ้าไม่เหลือบากว่าแรงจริงๆคือไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพระพุทธเจ้าก็นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เป็นความดีงามอยู่แล้วเหมาะสมอยู่แล้วในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งก็นำมายุช่องนำมาเชิดชู และยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือส่วนที่พระองค์งทรงสัตย์สรุและนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงไว้ก็สามารถนำมาประพฤติปฏิบัติให้ผสมกลมกลืนกับคำสอนที่มีอยู่ในสมัยนั้นได้ดังนั้นการประพฤติในชั้นของการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะปฏิบัติในชั้นศีลหรือชั้นสมาธิหรือในชั้นของการใช้ปัญญาก็ตามจะเห็นได้ว่า ในการปฏิบัติศีลก็จะไม่มีอาการอะไรที่ย่อนยานเกินไปและตึงเครียดเกินไปแต่จะอยู่ในจุดของศีลซึ่งเหมาะสมแก่ฐานะแก่บุคคลเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นคนที่สมาทานศีลนุโสดในศีลข้อที่สว่าอภรพมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิบางคนเคร่งครัดกันจนเกินไปขนาดลูกหลานยังจับต้องไม่ได้ แต่บางคนก็ย่อนยานจนเกินไปจนไม่กลายเป็นศีลเข้าอาพรมไปเป็นต้นแต่ถ้าในแง่ของความรอบรู้จริงๆแล้วจะพบว่าศีลแม้ชื่อจะเหมือนกันเป็นอาพรมเหมือนการสามเณรก็เป็นอาพรมเหมือนกันพระก็อาพรมเหมือนกันอุบาสิกาอุบาสุกบาสิกาก็เป็นอาพรมเหมือนกันแต่ว่าศีลนั้นเป็นวินัยของผู้ครองเรือนกับวินัยของนัฏบวต การปฏิบัติตามศีลข้อสามสำหรับผู้ครองเรือนแล้วผู้หญิงก็สามารถที่จะอุ้มลูกอุ้มหลานที่เป็นผู้ชาได้ผู้ชายก็ถูกต้องอุ้มลูกอุ้มหลานที่เป็นผู้หญิงได้การห้ามจริงๆก็ห้ามเฉพาะการเกี่ยวข้องกันในทางเพศเท่านั้นแต่สำหรับพระภิกษุสามเณรไปแล้วก็จับต้องเพศตรงกันข้ามไม่ได้เลยเป็นต้นนี่เป็นการแสดงเห็นได้ว่าถ้าอาศัยความรอบรู้ที่กว้างไกลแล้วก็จะไม่มีอาการตึงเครียดในการประพฤติปฏิบัติ เพราะไม่ว่าวินนยก็ดีธรรมะก็ดีในพระพุทธศาสนานั้นเป็นหลักของมัจจิมาปฏิปทาเท่านั้นต่การที่จะมองเห็นได้ในแง่มุมต่างๆเข้าใจได้วินิจฉัยและกตัดสินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยปริยัติที่กว้างขวางพอสมควรอาศัยความรู้สึกนึกคิดที่ประสานสัมพันธ์กับปริยัติคือหลักต่างๆที่ได้ศึกษาได้สดับมาแล้วก็ยุติความคิดอย่างสมเหตุสมผล เมื่อไปประพฤติปฏิบัติก็จะสามารถแก้ไขขั้นตอนต่างๆในการประพฤติปฏิบัติแต่บุคคลประเภทนี้โดยเป้าหมายสูงสุดแล้วสรงแสดงถึงความรู้ในอริยสัจสี 4, ด้วยการในชั้นของปริยัตในชั้นของการคิดตามเห็นตามในขั้นของการปฏิบัติและในขั้นของการรู้อริยสัจสแต่ว่านั่นคือเป้าหมายสูงสุด อย่างไรก็ตามเมื่อบุคคลอยู่ในประเภทที่สองและประเภทที่สี่ย่อมสามารถได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ได้ศึกษาได้พินิษ์พิจารณาและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามกาลังปัญญาความสามารถแห่งตนซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้นก็คือการอาศัยแม่น้าที่เห็นอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา น้อมนําเข้ามาพิจารณาตรวจสอบตนเองวินิจฉัยตนเองตัดสินตนเองแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้อยู่ในนาทีที่อํานวยประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและบุคคลอื่นเช่นเดียวกับแม่น้ําที่ลึกถึงแม้จะแคบกับแม่น้ําที่กว้างและลึกซึ่งสามารถอํานวยประโยชน์เกื้อกูลให้แก่โลกตามกําลังฐานะแห่งตนต่อแต่นี้ไป ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป